เจริญพรท่านสาธุชนพุทธกรรยสัตว์อุบาสกอุบาสิกาผู้ฝ่ายธรรมทุกๆท่ททานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่10กุมภาพันธ์พุทธศักราช2 0 5กเป็นวันพระวันธรรมวัสวนะวันฟังธรรมวันเติมบุญบารมี ที่เปลี่ยนเป็นเหมือนน้ำมันรถของรถยนต์น้ำมันของชีวิตเราก็คือบุญบรารมีตอนนี้พวกเรายังเป็นพวกที่ยังเดินทางท่องไปในภกน้อยภพใหญ่แห่งการเวียนว่าตายเกิดอยู่ก็คือยังเวียนว่าอยู่ในสังสารวัตที่ ไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นจนกว่าจะได้เตมบุญบารมีที่จะสามารถปับดันชีวิตของพวกเราให้หลุดออกจากวังวนแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบังเพนบุญบารมีต่างๆมาจน สามารถทำให้พระ อ, องค์ได้หลุดออกจากวงเวียนแห่งการเวีนวา่ายตายเกิดได้หลังจากที่พระ อ, องค์ได้ทรงหลุดพ้นแล้วพระ อ, องค์จึงได้นำเอาวิธีที่พระ อ, องค์ได้ทรงบังเพลนได้หลุดพ้นมาเอยแผ่สั่งสอนให้แก่สามโลก ด้วยความการุณาณคือความสงสารด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยความรู้ความฉลาดนี่คือคุณสมบัติของพ่อพระพุทธเจ้าที่ทรงใช้ในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนให้แก่สรรโลก ทรเผยแผ่ด้วยความกระโดาคือสงสารที่เห็นสัตว์โลกอย่างพวกเรายัางต้องทุกอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดไปอย่างไม่มีวันหมดสิ้นถ้าไม่มีพระองค์มาเป็นผู้เผยแผ่สั่งสอนวิธีที่จะทำให้ได้หลุดออกจากวงเวียนแห่งการเวียนว่ายตายเกิด น, นี้ น่าสงสอรด้วยพระไทยที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความเหงคือไม่ได้หวังผลตอบแทนสิ่งตอบแทนจากสัตว์โลกเลยเพราะพระไทยของพระองค์นี้ทรงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขแล้วเป็นปรมาณสุขขังแล้วคือเป็นเหมือนน้ำ ในแก้วน้ำที่เติมจนเต็มแก้วแล้วต่อให้เติมข้าไฟอีกมากน้อยเพียงใดแก้วน้ำก็ไม่สามารถสามารถรับน้าเพิ่มขึ้นมาได้มีแต่จะไหลออกไปนี่คือใจของพภพเจ้ามีความสะอาดบริสุทธิ์ไม่มีความโลภความอยากนดาอะไรจากใครทั้งนั้นถ้อยแปงสังซ้อนด้วยความกรุณา ด้วยความสงสารด้วยความปรารถนาที่อยากจะให้สรรโลกทั้งหลายได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างที่พมได้ทรงหลุดพ้นมาณข้อที่สามทรงเผยแผ่ด้วยภาพปัญญาที่คุณคือความรู้ความฉลาดในการเอาธรรมะมาสั่งสอนให้แก่สรรโลก ทำให้สามารถทให้สาโลกทั้งหลายสามารถเข้าถึงพระธรรมอันลึกลับอันลึกซึ้งนี้ได้อย่างง่ายดายอย่างที่เคยปรากฏในสมัยพระพุทธกาลมาแล้วทุกครั้งที่พระองค์ทรงสแสดงพระธรรมเทศนาจะปรากฏมีผู้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลท่านต่างๆเป็นจำนวนมากเพราะพระปัญญาของพระพุทธเจ้า ที่สามารถเอาความจริงมาสอนให้แก่ผู้ที่ไม่เห็นได้เห็นได้อย่างง่ายดานนั่นเอ ง, เองไม่มีใครจะมีพระปัญญาแก่กล้ายอดเยีย่ยมเท่ากับพระปัญญาของพระพุทธเจ้าในพระพุทธศาสนามีพระอัครสาวกขวาคือพระสารีบุตรที่ทรงยกย่องว่า เป็นผู้ที่มีปัญญาแก่กล้าร้องจากพ่อองค์ลงไปนอกกนั้นแล้วจะหาคนที่รู้ที่ฉลาดที่จะสอนธรรมะให้ผู้ฟังนั้นได้บรรลุขึ้นมาในขณะที่ฟังได้เลยนี่คือเรื่องของการเผยแร่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หลังจากที่พระองค์ได้ทรงตัดสรูปแล้วและสิ่งที่พระองค์ทรงนำมาสั่งสอนให้แก่สัว์โนก็คือวิธีการปฏิบัติของพระองค์ที่ได้ทรงปฏิบัติมาเป็นเวลาอันยาวนานจนกว่าจะได้คร บ, บราบมีต่างๆแต่ตอนนี้พวกเราผู้ที่มาได้ยินได้ฟังพวกเราไม่ต้องเสียเวลาไปทดสอบ สะสมบุญบา ร, รมีชนิดต่างๆให้เกิดความจำเป็นหรือม่หรือไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะพระ อ, องค์ทรงรู้ว่ามีบา ร, รมีเพียงสิบประการเท่านั้นที่พวกเราควรที่จะเจริญกันแลนะพวกเราสามารถเจริญกันได้ภายในภพนี้ชาตินี้เลยสามารถบรรลุหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด ได้าปในชาตินี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าได้สอนค้นพบสูตรคือบุญบา ร, รมีสิบประการที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติตานั้นได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหรือถ้ายังไม่ได้หลุดพ้นในชาตินี้ก็จะมีบุญบา ร, รมีติดตัวไปไว้สนับสนุน ในการเดินทางให้ออกจากการเวียนว่ายตายเกิดและจะสามารถหลุดพ้นได้ในลำดับต่อไปนี่คือบุญบา ร, รมีที่พระเจ้าทรงนำเอามาเผยแผ่สั่งสอนดังที่พวกเราทั้งหลายกำลังมาบาเพ็ญกันอยู่บุญบา ร, รมีข้อที่หนึ่งก็คือทานบา ร, รมีคือการให้ ให้ในสิ่งที่เป็นของเราให้ในสิ่งที่เรามีมากเกินความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้อยากเก็บเอาไ ว, ด ว, ว, าว้ด้วยความโหยด้วยความโลภเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะกดดันให้จิตใจต้องทุกข์ไปเปล่าๆไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งของทรัพย์สมบัติต่างๆที่มีอยู่เลย มีแต่จะกดดันให้ทุกข์ทุกข์เพราะความห่วงทุกข์เพราะความหวงทุกข์เพราะความเสียดายเวลาที่ต้องสูญเสียทรัพสมบัติเข้าวของเงินทองต่างๆไปจึงทรงสอนให้เราเอามาแปลงความทุกข์มาให้เป็นความสุข ด, ด้วยการให้ทานพราะเวลาเราให้ทานแล้วใจเราจะมีความสุข อย่างที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาทำกันในวันนี้มาถวายข้าวของต่างๆถวายเงินทองถวายอาหารถวายปัจจัยสี่ให้กับพระภิกษุสามเณรเวลาทำแล้วก็จะมีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจนี่คือทานบารมีที่พวกเรากำลังมาบำเพ็ญกันอยู่ ที่พวกเราควรจะบำเพ็ญให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนให้ได้อยู่ในระดับเดียวกับของพัจพุทธเจ้าและของพระสาวกทั้งหลายก็คือสละ บ, บทไปเลยไม่เก็บเอาไว้อะไรติดตัวเลยเพราะต้องการที่จะออกบวชนั่นเองต้องการที่จะไปบำเพ็ญบรารมีที่สูงกว่าที่ดีกว่าที่เหนือกว่า ละที่จําเป็นต่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั่นั่นก็คือบารมีข้อที่สองได้แก่ท้ได้แกะะ่ศีลบารมีศีลบารมีก็คือศีลหศีล8ศีล10ศีล227ข้อซึ่งพวกเรารักษากันต่างกันไปตามกํากลังในเรื่องต้นเราก็พยายามรักษาศีลห้ากันไปก่อน อย่างที่ท่านทั้งหลายได้สมาทานศีลห้ากันในวันนี้อันนี้เป็นการสร้างศีลบารมีแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเพิ่มเป็นศีลแปในวันพระแล้วต่อไปก็รักษาศีลแปดเป็นปกติจนกระทั่งพร้อมที่จะออกบวชก็รักษาศีลสิบศีลสองอยิบเจ็ดหรือศีลสามร้อยกว่าแล้วแต่ กรณีของของเพศนะของวัยของแต่ละท่าน น, ะนี่คือเรื่องศีลบารมีขณะที่เรารักษาศีลบาลมีได้แล้วเรายัางไม่สามารถหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ศีลบารมีนี้จะรักษาคุ้มครองไม่ให้เราต้องไปเกิดในอบายเช่นไม่ต้องไปเกิดเป็นเลระชานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรต ไม่ต้องไปตกนรกด้วยอำนาจของศีลบารมีที่เราได้มาบงเพ็ดกันนี้เองนะแล้วก็พอเราได้รักษาศีลได้แล้วเราก็มาขยับขึ้นมาบารมีข้อที่สานะก็คือเนคขมมะบารมีเนคขมมะแปลว่าการออกจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลินน้นกาย ทางลูกเสียงกลินรถโุทภะคือจะละเว้นจากการหาความสุขทางการมารมณ์ก็จะต้องถือสีนแปดเป็นอย่างต่ำเพราะสีนแปนี้จะมีข้อห้ามไม่ให้เราไปเสกการมไปหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกับผู้อื่นเช่นคู่ครองของเราสามีหรือภรรยาถ้าเราอยากที่จะ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องหลุดพ้นก่อนจากการเสกการมเพราะการเสกการมนี้จะเป็นตัวที่จะชุดลากนึงให้เราต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดต่อไปนั่นเองเราจึงต้องถือศีลแปดด้วยศีลข้อที่สาก็ให้ถือเป็นอพ ร, รมจจลิยาเวรนาณีจะรักษาศีลของโพอาจรร คือไม่เสพการกับผู้อ่ไม่ร่วมหลับนอนกับผู้อ่นแล้วสีนข้อที่หเราก็ข้อที่6เราก็มาละเว้นจากการเสพความสุขด้วยการรับประทานอาหารมากเกินความต้องการของร่างกายร่างกายต้องการอาหารพอที่จะเลี้ยงดูให้อยู่ไปวันวันหนึง่งไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วย ซึ่งเราสามารถรับประทานเพียงวันละครั้งหรือสองครั้งก็พอแล้วเช่นไม่รับประทานอาหารจากหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพราะถ้าเราไปรับประทานอาหารหลังเที่ยงวันเช่นรับประทานอาหารตอนค่ำเราก็ยังจะต้องมาคอยกังวลเกี่ยวกับการรับประทานอาหารแล้วก็ต้องมาร่วงง่วงเหงาเหานอนเวลาที่เราจะปฏิบัติ ภนะาวนาทำจิตใจให้สงบก็จะมีอุปสรรคเพราะเวลารับประทานอาหารอิ่มแล้วจะเกิดความง่วงเหงาหาหนอนขึ้นมาจะมีความเกลียดคร้านอยากจะนอนมากกว่าที่จะมานั่งสมาธิมาสวดมนต์อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนกับสามีกับภรรยามากกว่าดังนั้นเราจึงต้องถือสี่ข้อที่ห คือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยมวันไปแล้วพอบ่ายๆร่างกายเราก็จะเบาเราก็สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างง่ายดายอย่างสะดวกไม่มีอุปสรรคนี่คือในคำมะาบาลเมเราต้องละเว้นจากการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายด้วยการรับประทานอาหารเพื่ออยู่ ไม่ได้รับประทานเพื่อความสุขความสุขนี้แบบนี้เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาเพราะถ้าเรารับประทานอาหารมากเกินไปร่างกายเราก็จะมีน้ำหนักมากเกินไปก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนและก็อาจจะตายก่อนวัยก็ได้ แล้วก็จะทำให้เรามีความเกียดคร้านจะไม่สามารถปฏิบัติทำเช่นนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมได้นักปฏิบัติจึงต้องถืออย่างน้อยก็ศีลแปคือไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วถ้าอยากจะเข้มข้นกว่านั้นก็รับประทานเพียงวันละมื้อเลยรับอย่างพระที่นี่ฉันทิศาลานี่เสร็จแล้วก็เป็นอนว่า หมดกันไปเรื่องการรับประทานอาหารจะรับประทานอีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอวันพรุ่งนี้เวลานี้เพราะว่าร่างกายได้อาหารพอเพียงแล้วไม่มีข้อห้ามว่าจะต้องรับประทานมากหรือน้อยรับประทานให้เต็มที่ไปเลยให้อิ่มเลยหนงเดียวเหมือนกับเติมน้ำมันก็เติมทีเดียวให้เต็มถังไปเลยไม่ต้องมาแบ่งเติมทีละครึ่งถัง ให้เสียเวลาไปเปล่าๆนี่คือสินข้อที่6ส่วนสินข้อที่7ก็คือไม่ให้เราหาความสุขจากเครื่องบันเทิงต่าง ๆ, mm. างๆการบันเทิงต่างๆ mm. เช่นไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไปดูหนังฟังเพลง mm. แต่เนื้อแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าที่สวยงามเหล่านี้เรียกว่าเป็นการหาความสุข ทางตาหูจมูกลิ้นกายที่เป็นความสุขช่่อประเดียวประดาลไม่ยั่งยืนไม่มีน้ำหนักไม่เหมือนกับความสุขที่เราจะได้รับจากการมานั่งสมาธิทำใจให้สงบนี่คือสินข้อที่7สินข้อที่8ก็คือเราจะละเว้นจากการหลับนอนบนฟูกหน า, หนา กพจะทําให้เรานอนนานเกินความต้องการของร่างกายปกติร่างกายนี้ถ้านอนจริงๆต้องการเพียงห้าชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงก็จะพอแล้วจะตื่นขึ้นมาแต่ถ้านอนอยู่บนฟูกหนาๆก็จะไม่อยากจะลุกอยากจะนอนต่อก็จะนอนต่ออีกสี่ห้าชั่วโมงก็จะทําให้เสียเวลาอันมีค่าที่จะมาใช้ ในการตัดภพตัดชาติไปนั่นเองพระพุทธเจ้าจึงตรงสอนให้ไม่ให้นอนบนฟูกนานาให้นอนบนพื้นไม้พื้นแข็งหรือปูด้วยผ้าหรือเสือ่อเพื่อที่เราจะได้ไม่ติดกับการหลับนอนมากเกินความต้องการของร่างกายเราหลับนอนเพื่อพักผ่อนร่างกายเราไม่ได้หลับนอนเพื่อหาความสุขจากการหลับนอน เพราะจะทําให้เราเกียจคร้าททาให้เราสูญเสียเวลาอันมีค่าที่จะมาใช้ในการปฏิบัติสร้างบารมีข้อต่อไปก็คืออุเบกขาบารมีคือทําใจเราให้เป็นกลางให้ไม่โลกไม่โกรธไม่หลงไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเสพอะไรการที่จะทํา ใจของเราให้เป็นอุเบกขาคือสร้างขันติสร้างอุเบกขาบรารมีนี้ขึ้นมาเราจาเป็นจะต้องควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดเพราะความคิดของเรานี้จะเป็นตัวที่จะทำให้เราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาภถ้าเราไม่ได้คิดเราก็จะไม่มีความอยาก เวลาเราคิดถึงตู้เย็นเราก็อยากจะเปิดดูว่ามีอะไรง่ารับประทานบ้างเวลาคิดถึงตู้ทีวีก็คิดว่าตอนนี้มีละรายการอะไรน่าดูบ้างแต่ถ้าเราควบคุมความคิดไม่ให้คิดถึงตู้เย็นไม่ให้คิดถึงตู้โทรทัศน์ให้คิดแต่พุทโธพุทโธไปใจของเราก็จะไม่สามารถคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้ พอไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆก็จะไม่มีความอยากแล้วถ้าเราอยู่คิดอยู่กับพุทธโธอย่างเดียวแล้วถ้าเรานั่งเฉยๆหลับตาได้ใจของเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่เวลาใจสงบใจก็จะเป็นอุเบกขาใจจะเป็นกลางสัตว์แต่ว่ารู้ไม่ไม่มีความโลภความอยากต่างๆปรากฏขึ้นมาภายในใจในขณะนั้น นี่คืออุเบกขาบารมีที่เราจะเจริญหลังจากที่เราได้เจริญเนกข ม, มะบารมีคือได้ถือศีลแปหรือว่าได้ออกบวชเป็นนักบวชแล้วเช่นนักบวชทั้งหลายที่มาบวชกันนี้ก็เพื่อที่จะได้มีเวลามาเจริญอุเบกขาบารมีนี้เองอุเบกขาบารมีก็คือทำใจให้เป็นกลางให้สงบให้เยน็นให้สบาย ให้มีความสุขที่เป็นความสุขที่เนื้อกว่าความสุขทั้งหลายผู้ที่มีอุเบกขาบารมีแล้วใจจะไม่หิวกับรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณจะไม่อยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพียงแต่ว่ามันยังไม่เป็นความอุเบกขาที่ถาวรเวลาออกจากสมาธิมาถ้าไม่ละมัดนระวังปล่อยให้คิด เมื่อไหร่พอคิดถึงตู้เย็นก็จะเกิดความอยากไปเปิดดูว่ามีอะไรให้ดื่มให้รับประทานทันทีตอนนั้นเราก็ต้องมาเจริญบารมีข้อต่อไปก็คือปัญญาบารมีปัญญาบารมีก็คือเราต้องสอนใจให้รู้ความจริงว่าสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นอยากมีอยากเสพเช่นรูปเสียงกลิ่นรสนี้ มันเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยแต่มันมีความทุกข์มากกว่าเพราะมันทำให้เราติดเหมือนกับติดยาเสพติดเวลาที่เราได้เสพเราก็มีความสุขแต่เวลาที่เราไม่ได้เสพเราก็จะมีความทุกข์ขึ้นมาทันทีเช่นเวลาเราต้องอยู่ห่างจากสามีจากภรรยาหรือจากแฟนเราก็จะเกิดความรู้สึกเศร้าส้อยน้อยนอ ว้าเวขึ้นมาทันทีนี่คือความทุกข์ที่เรามองไม่เห็นกันเรามองเห็นแต่ความสุขว่าถ้าเรามีแฟนมีสามีมีภรรยาแล้วเราจะมีความสุขแต่เราลืมมองไปว่าเวลาเขาไม่อยู่กับเราแล้วเป็นอย่างไรเราสุขหรือเราทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีสามีไม่มีภรรยาเราก็ไม่ได้มีความสุขไม่มีความทุกข์กับเขาเลย นี่คือการใช้ปัญญามาสอนใจเพื่อให้สอนว่าอยู่คนเดียวดีกว่าทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาดีกว่าเพราะจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับคนนั้นคนนี้ทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีมามีไปจะต้องมีการพัดพรากจากกันไปในที่สุด เวลาที่จากการนั้นจะมีความทุกข์ทรมานใจเป็นอย่างมากจนถึงบางครั้งอาจจะไม่อยากจะอยู่ต่อไปก็มีคนที่ฆ่าตัวตายก็เพราะว่าเขาสูญเสียสิ่งที่เขารักไปนั่นเองพอเขาไม่มีสิ่งที่เขารักเขาอยู่ตามลาพังเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะมีแต่ความทุกข์รุมเร้าจิตใจของเขาเพราะเขาไม่เคยสร้างเนตรขมน่าบาระ มไม่เคยสร้างอุเบกขาบารามีไม่เคยสร้างปัญญาบรารมีมาคอยสอนใจเตือนใจไม่ให้เขาไปหลงรักไปหลงอยากไปหลงชอบอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้พอได้มาแล้วก็เท่ากับเอากองทุกข์เข้ามาสู่ใจนั่นเองอยู่คนเดียวดีกว่าไม่ต้องทุกข์กับใครไม่ต้องทุกข์กับอะไรนี่คือปัญญาบารามี พอเรามีปัญญาบามีแล้วเราก็จะสามารถรักษาใจของเราให้สงบให้เป็นกลางไม่ให้มีความอยากได้ตลอดเวลาใจของเราก็จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้อย่างถาวอนพอเราหลุดพ้นแล้วเราก็จะเกิดความเมตตาขึ้นมาอยากที่จะช่วยเหนือผู้อื่นขึ้นมาอยากจะให้ผู้อื่นได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกับที่พวกที่เราได้หลุดพ้นมาเราก็จะแผ่เมตตาช่วยเหลือสัตว์โลกตามกำลังที่เราจะทำได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงกระทาตลอด45ปีหลังจากที่ได้ทรงหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วพระองค์ทรงอุทิศเวลา ของพระองค์ที่มีเหลืออยู่45ปีให้กับการแผ่เมตตาเผยแผ่คำสอนที่จะทำให้สัตว์โลกอย่างพวกเราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทรงปฏิบัติสั่งสอนสัตว์โลกวันละสีครั้งด้วยกันคือตอนบ่ายก็สอนญาติโยมตอนข้ามก็สอนพระภิกษุสา ม, มเณร ตอนดึกก็สอนเทวดาตอนเช้าก่อนที่จะออกบินตบาตก็ทรงเนยานดูว่าจะส่งไปสอนใครดีในวันนั้นเป็นกรณีพิเศษนี่คือหน้าที่ของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบำเพ็ญหลังจากที่ได้ตัดสรุแล้วเผยแผ่สั่งสอนธรรมะช่วยเหลือสัตว์โลกด้วยความเมตตานี่คือเมตตาบารลี พวกเราก็ควรที่จะดำเนินต่างการที่เราจะเจริญบารมีต่างๆเช่นทานบารมีศีลบารมีในขัมมะบารมีโอเบคาบารมีปัญญาบารมีและเมตตาบารมีได้เราจำเป็นจะต้องสร้างบารมีขึ้นมาอีกสามข้อก็คืออธิษฐานบารมี อธิษฐานบารมีแปลว่าความตั้งใจเช่นเราต้องตั้งใจตั้งเป้าไว้ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตนี้ถ้าเราต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องตั้งเป้าอยู่ที่การสร้างบารมีเช่นทานบารมีศีลบารมีนิคัมมาบารมีพอเราตั้งเป้าแล้วเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรอย่างวันนี้ถ้าเราไม่ได้ตั้งใจมาวา เราตื่นขึ้นมาเราก็อาจจะไม่รู้ว่าวันนี้จะไปทำอะไรดีแต่ถ้าเราได้ตั้งเป้าว่าจะมาวัดพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะได้เตรียมตัวออกเดินทางมาวัดนี่คืออธิษฐานบารมีเราต้องตั้งเป้าของเราว่าเราจะทำอะไรในชีวิตนี้ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องตั้งเป้าอยู่ที่การมาสร้างบารมีที่วัดกัน ข้อที่สองหลังจากตั้งสัจจะตั้งอธิษฐานแล้วเราก็ต้องมีสัจจะบา ร, รมีคือเราต้องมีความแน่วหน้าต่อความตั้งใจของเราไม่ใช่ตั้งใจแล้วพอถึงเวลาก็เปลี่ยนใจถ้าเปลี่ยนใจก็แสดงว่าไม่มีสัจจะบา ร, รมีไม่มีความจริงใจต่อความตั้งใจของตนเองถ้าไม่มีสัจจะแล้วตั้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไร ตั้งว่าจะทำบุญถึงเวลาก็ไม่ทำตั้งว่าจะบวชถึงเวลาก็ไม่บวชอย่างนี้ตั้งไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตั้งแล้วต้องมีสัจจะมามาบังคับอีกข้อหนึงพอเรามีสัจจะแล้วเราก็ต้องมีวิริยบารมีคือเราต้องมีความเพียรพอตั้งใจแล้วจะทำอะไรก็ต้ก็ต้องขยันทาแล้วถ้าขี้เกียจ อาจจะทําเพียงเล็กๆน้อยๆพอหอมปากหอมคอถ้าอย่างนี้ก็จะไม่ได้ผลดีถ้าตั้งใจจะทําอะไรแล้วต้องทําทุ่มเทชีวิตจิตใ จ, จเข้าไปร้อยเปอร์เซนลยนี่คือการทําอะไรที่จะทําให้เกิดผลเกิดความสําเร็จขึ้นมาได้ไม่ใช่ทําแบบครึ่งๆกลางๆนักพี่เสียดายเนะน้อใจนึงก็อยากจะปฏิบัติธรรมใจหนึ่งก็ยังอยากจะไปเที่ยวอยู่ ถ้าทำอย่างนี้แล้วก็จะไม่มีวันที่จะสำเร็จได้ถ้าตั้งใจจะทําทอะไรแล้วต้องทุ่มเทไปเต็มที่เลยหมดสุดๆเลยถ้าเป็นรถก็เหยียบคันเล่งเข้าไปถึงติดพื้นไปเลยถ้าอย่างนั้นถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เลยหลังจากเรามีความเพียรแล้วเราก็ต้องมีบรารมีอีกข้อนึงก็คือขันติบรารมี เพราะการทําความเพียรนี้มันก็จะต้องพบกับความยากลําบากอุปสรรคต่างๆเช่นความเกียจคร้านบางทีก็ไม่อยากทําก็ต้องเขี่ยวเข็นให้ทําให้ได้หรือทำแล้วมันยากก็ต้องต่อสู้ไปต้องอดทนไปยากก็ต้องทําเช่นต้องอดข้าวเย็นอย่างนี้มันยากก็ต้องทําต้องอดดูละครมันยากก็ต้องทำต้องมีขันติมีความอดทน ถ้าไม่มีความอดทนแล้วก็จะเกิดความท้อแท้แล้วในที่สุดก็จะ ย, ยอมแพย้ยกถุงขาวถ้ายกถุงขาวแล้วก็จะไม่มีวันที่จะได้ถึงได้สิ่งที่เราตั้งการจะได้แต่ถ้าเรามีขันติแล้วรับรองได้ว่าไม่มีอะไรจะสามารถมาเป็นอุปสรรคได้เพราะขันตินี้จะทะลุไปได้อย่างง่ายดายนี่คือบา ร, รมีทั้งสิบประการด้วยกัน ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาบำเพ็ญกันคือ 1. ทานบารมี 2. ศีลบารมีสเนคขมะบารมี 4. ีอุเบกขาบารมี 5. ปัญญาบาร 6. มี 6. เมตตาบารมี 7. อธิษฐานบารมี 8. สัจจะบารมี 9. วิริยะบารามีและสิบ ัติบามีถ้าพวกเราสามารถสร้างบารมีทั้งสิบขึ้นมาภายในใจของเราได้เราก็จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดอย่างแน่นอนเพราะผู้ที่ได้สร้างบารมีเหล่านี้มาได้หลุดพ้นกันมาแล้วเป็นจานวนมากก็คือพระพุทธเจ้าและพออาระอรหันตสาวกทั้งหลาย ก่อนที่ท่านจะไปเป็นอหรหันตสาวกท่านก็เป็นเหมือนพวกเราเหมือนกันไม่มีความแตกต่างกันท่านบรรลุได้ท่านหลุดพ้นได้ด้วยบรารมีสิทพวกเราก็หลุดพ้นได้เช่นเดียวกันถ้าเราสร้างบรารมีสิทธขึ้นมาจึงขอฝากเรื่องของการมาวังเพื่อมาสร้างบุญบรารมีทั้ง1ิประการนี้ให้ท่านได้นาเราไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนไตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบารรเทากันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญแค็งแก่ปลอดภัย